แอ้วเดี๋ยววันนี้ก็จะสนทนากันสักระยะหนึ่งนี่เราก็ได้สนทนากันมาวันละชั่วโมงบ้างชั่วโมง ก, กว่ากว่าบ้างนะแล้วสิ่งที่อยากจะสนทนาหรือป่ารบกันในวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของสติเพราะเป็นธรรมะที่ควรจะเลิน ความเพียรได้พูดไปแล้วปัญญาได้พูดไปแล้วสติอย่างองค์แห่งการปฏิบัติเนี่ยที่เรียกว่ามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินี่คือลักษณะของเป็นหนึ่งในองค์มรตถ้าจัดในทางด้านของเป็นหมวดแล้วเนี่ยสติไปอยู่ในหมวดของสมาธิศิกขา สมาธิฐิสัมมาสังกปะอง์มาร์กนั้นเป็นปัญญาขันหรือเป็นปัญญาสิกขาสัมมาวายมะความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตชอบนี่อันนี้เป็นสมาธิสิกขาสัมมาวิจาสมากรรมตะและสมาชีวนี่เป็นศี่ละสิกขาคือสิทธิสมาธิปัญญาแต่วันนี้จะพูดถึงในเรื่องของสติ เพื่อเป็นอุปการะแก่การที่เราทั้งหลายจะได้เอาไปฝึกเจริญให้เกิดให้มีขึ้นสติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ทำให้ระลึกรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยป้องกันโทษที่จะเกิดขึ้นได้และในขณะเดียวกันตัวสติก็จะตัวหล่อเลี้ยงสมิท ธ, ธรรมที่เกิดพร้อมกันกรบต น, นให้มุ่งหน้าต่อการทางานที่เป็นกุศลอยู่เสมอ ฉะนั้นท่านยังขนานนามว่าสติเนี่ยเป็นพหุ ป, ปการธรรมคําว่าพหุ ป, ปการธรรมเขาแปลว่าพหุก็คือมากธรรมที่มีอุปการะมากมีอุปการะมากในเวลาธรรมทั้งหลายเนี่ยธรรมที่ช่วยอุปการะมากที่จะนําพากระแสชีวิตให้ดําเนินไปได้ถูกต้องเนี่ยเขาเลยเรียกว่าสติเนี่ยเป็นพหุ ป, ปการธรรมเนาะทีนี้ ท่านกล่าวถึงตัวบุคคลที่เป็นบัณฑิต ท, ที่มีปัญญาในการพิจารณาอุบายแยบคายแล้วเนี่ยย่อมสามารถกําหนดพิจารณาเรียนรู้สภาวะของสติอันเป็นปรมัตถธรรมอย่างหนึ่งอันนั้นนับเนื่องในขันประเภทไหนนับเนื่องในสังขารละขันสติหยุดอยู่ในกลุ่มสังขารละขั น, เ, นเป็นสังขารละขันเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งปรุงแต่งจิตให้เกิดรับรู้อารมณ์ที่พิเศษออกไปจากเวทนาขัน ที่พิเศษออกไปจากสัญญาขันโดยอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตนนี้แหละที่ไม่เหมือนกับสภาวะธรรมเราอื่นสติมันละจึงต่างกันในข้อแรกเนี่ยจะพยายามอธิบายเพื่อให้เราเห็นภาพนะถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามเออเราจะได้เจริญสติถูกลักษณาที่จตุกะหรือวิเศษลักษณะลักษณะเฉพาะตัวของสติเนี่ยเขาเรียกว่า อภิลาปนรัคนาว่าอุ ป, ปคันหนะรัคนามีสองความหมายนะอภิลาปนรัคนาก็คือมีการไม่เลอะเลือนเป็นลักษณนะะนะอภิลาปนเนี่ยไม่เลอะเลือนนั้นสติคือการไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลงเนาะอีกอย่างหนึ่งอุ ป, ปคหอุ ป, ปคหนะอุ ป, ปคหะเนี่ยแปลว่า มีการกำหนดไว้อย่างแม่นยำนอกจากไม่เลอะเรือนไม่ฟัน่นเฟือนไม่เรือนหลงแล้วยังมีการกำหนดไว้อย่างแม่นยำเป็นลักษณะก็หมายถึงว่าสติในเวลาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเตือนให้รู้จักว่าเห็นหมเขาจะมาเตือนจิตเนี่ยจะสามารถทำให้เรารือว่าสิ่งนี้เป็นกุศลสิ่งนี้เป็นอกุศลสิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้ไม่มีโทษทาเหล่านี้เป็นสติปัฏฐานสี่ กายานุปัสนาธรรมเหล่านี้เป็นสัมมประธานสธรทำเหล่านี้เป็นอินรี่ห้าพละหเนี่ยโพชงเจ็ดทำเหล่านี้เป็นมรค8เนี่ยสติในที่นี้ท่านจึงอุปมาเหมือนขุนขังของพระราชาขุนคังของพระราชาก็ต้องคอยเตือนพระราชาให้ทรงระลึกถึงราชสมบัติในเวลาเช้าในเวลาเย็นเป็นต้นชั้นใดเวลาสติเกิดขึ้นก็จะชักชวนกระตุ้นเตือนสมปรยุทธธรรมเนี่ยนะซึ่งถือเอา ซึ่งสติแห่งธรรมทั้งหลายว่าธรรมเหล่านี้มีประโยชน์ธรรมเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เนี่ยธรรมเหล่านี้มีอุปการะธรรมเหล่านี้ไม่มีอุปการะเนี่ยฉะนั้นเวลาสติเกิดขึ้นท่านถบอกว่าสติท่านอุปมาเหมือนกับขุนคลังของพระราชาพระราชาจะมีขุนคลังพระราชาที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยก็มีขุนคลังแก้วจะคอยกําหนดทรัพย์ในทองผักลังทุกเช้าและเย็นจะรายงานพระราชาว่า ทรัพย์มีเท่าไหร่ทรัพย์ส่วนนี้มีเท่าไหร่ส่วนนี้เป็นส่วนที่ดินส่วนนี้เป็นส่วนทรัพย์สินส่วนนี้เป็นส่วนเงินส่วนทองส่วนอะไรต่างจะแยกแยะเบ็ดเสร็จเลยแม้ชั้นใดเวลาสติเนี่ยเกิดขึ้นนะกำกับอยู่ที่จิตแล้วเนี่ยสติก็จะคอยระลึกแล้วก็คอยตรวจสอบแล้วก็บอกตลอดว่าเออในกระแสชีวิตของเราเนี่ยได้มี กุศลประเภทไหนอยู่นะีถ้าพูดอย่างขั้นพื้นฐานก็บอกว่าทานกุศลศีลกุศลเนี่ยสมาธิกุศลปัญญากุศลเนี่ยมีอยู่หรือไม่มีเนี่ยจะบอกอย่างนี้เลยเนะีเราได้เจริญพรหมวิหารได้จริงไหมเนี่ยเมตตากรุณาเมตตาเวขาเป็นต้นเหล่านี้มันได้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตจริงหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นเหมือนพโยคีหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะละทำที่ไม่มีประโยชน์ถือเอาทำที่เป็นประโยชน์ ละธรรมที่ไม่มีอุปการะถือเอาธรรมที่เป็นอุปการะเป็นต้นฉันนั้นเหมือนกัน น, นี่เป็นไปนอย่างนี้อันนี้สติมีลักษณะเหมือนคุ้นคังอันนี้นะประการแรกเนี่ยที่ท่านอุ ป, ปมาเหมือนคุ้นคังก็คือตรวจสอบว่าตอนนี้คุณทรรมในกระแสชีวิตเรามีอยู่หรือไม่มีแล้วมีอยู่เท่าไหร่ คนบางคนไม่เคยรู้นะว่าตนเองเป็นคนมีอัธยาศัยเป็นคนมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีเวขาไหมมีอัธยาศัยชอบให้ทานมีอัธยาศัยชอบรักษาศีลและศีลที่ตนเองจเจริญได้จเจริญได้จริงไหมเนี่ยนี่กลุ่มปฏิโมกสังวรศีลถ้าเป็นพระก็จะตรวจสอบศีลของตนเองใช่ไหมไอ้ตัวตรวจสอบเนี่ยตัวระลึกได้ทั้งหลายเหล่านี้ว่าเราได้จเจริญกุศลศีลได้จริงเลยในกระแสชีวิตเนี่ย ตรวจสอบในเรื่องของสิกขาบททั้งหลาย227รี22่สิขาบทเนี่ยพระก็จะตรวจสอบตนเองได้ตลอดว่าตนเองเนี่ยทำให้ศีลเหล่านี้บริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์อย่างไรเศร้าหมองหรือไม่เศร้าหมองอย่างไรเป็นต้นนี้ก็จะตรวจสอบในกลุ่มของสมาธิที่ตนเองได้ฝึกในกลุ่มของปัญญาทั้งหลายที่วิจัยแยกแยะทั้งหลายเนี่ยสติจะต้องมีหน้าที่ในการรายงานตรวจสอบเครื่ตรวจสอ บ, รรส อ, บอริยสัพย์ภายใน ว่าเรามีอริยทรัพย์ภายในอริยทรัพย์คือศรัทธามีในพระรัตนตรัยในตอนนี้มันมันเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเคยสังเกตไหมตอนมาบวชใหม่ๆเรามีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แค่ไหนแล้วตอนนี้ศรัทธาของเราโลดแล่นในการที่จะปักใจเชื่อเป็นไปด้วยความมั่นคงอย่างลากลึกถึงปัญญาที่รู้เหตุรู้ผลหรือไม่อย่างไรนะความเพียรความเกล้ากล้าในการละบาปเนี่ย ในปัจจุบันเนี่ยความเพียรประเภทเนีออ้บาปเก่าเนี่ยได้ชำระออกบ้างหรือยังเช่นที่เคยทําบาปมาแล้วเราจะไม่ให้บาปเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่กระแสชีวิตอีกเนี่ยความเพียรในลักษณะอย่างนี้มีไหมกุศลประเภทนี้มีไหมหรือความเพียรในการที่จะละ บ, บาปใหม่อกุศลกรรมใหม่ทุจริตใหม่ที่เราไม่เคยทำํำแต่เราได้ยินข่าวเราได้ตั้งอัธยาศัยว่าเราจะไม่ให้บาปชนิดชนิดนี้กลับมาสู่กระแสจิตเราอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนี่ยลักษณะสติก็จะคอยกํากับดูแลพวกนี้หรือกําลังขขาสติเองน ะ, จะเจริญได้แค่ไหนอย่างไรสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตยังสามารถขจัดความฟุ้งซ่านได้รว ด, ดเร็วมากขึ้นหรือไม่มากขึ้นอย่างไรปัญญาคือความรู้ความเข้าใจทั้งหลายเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกตรวจสอบมีไหมอย่างเงี้ยสติประเภทนี้ประดยชน์ทางคุ้นคังอีกประการหนึ่งนะเปรียบสเสมือนนายทวารบานของพระราชาเหมือนมหาดเล็กรักษาพระองค์ ที่คอยกราบทูลว่าบุคคล น, นี้ที่ต้องผ่านเข้ามาสู่ประตูพระราชวังแล้วก็สอดส่องดูแลบุคคล น, นี้ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เข้าไปในพระราชวังออกไปหรือยังเนี่ยทั้งยังคอยกันบุคคลที่เห็นว่ามีโทษออกไปเสียไม่ให้มาทําอันตรายต่อพระราชาและราชบัลลังก์เป็นต้นได้เนี่ยประการที่สองเห็นไหมสติอุปมาเหมือนกับนายทวารเหมือนกับยามเฝ้าประตูยามเฝ้าประตูเนะี่ยมี2 ส, ส่วน ส่วนหนึ่งป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ควรเข้าไปแล้วเข้าไปเหมือนสมมุติในวัดเนี่ยมียามอยู่หน้าประตูาาคนที่จะมีโทษในการที่จะเข้ามาเพื่อมาเบียดเบียนมาทําลายพระภิกษุสามนเณรหรือผู้ประพฤติ ธ, ธรรมหรือจะมาปัททุสลายมาลักเอาสิ่งของสมมติมีเนี่ยก็ป้องกันป้องกันไม่ให้เข้ามากันออกตรวจสอบนิสติมีหน้าที่ไม่ให้บาปคือราคะโทสะโมหะไหลเข้าสู่จิต ใช่ไหมถ้าพูดกันตรงๆเองและในขณะเดียวกันก็คือเหมือนคนเฝ้าประตูเหมือนกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ควรออกให้ออกไปเช่นไม่ให้สัตถ์ถ้าหากว่าถ้าพูดถึงกลุ่มนมามธรรมคือว่าศรัทธาเนี่ยควรให้ออกไปไหมในชีวิตในศรัทธาวิริยรสติสมาธิปัญญาเมตตากรุณาพุทิราวเบิขาสติปัฏฐานสัมมปัฏฐานเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้สติก็คอยล็อกไว้ป้องกันไว้ไม่ให้สิ่งเหล่านี้ไหลออกจากกระแสชีวิต นี่สติทำหน้าที่อารักขาเลยนะีป้องกันเลยป้องกันหนึ่งไม่ให้ราคะโทสะโมหะคือความรู้ความโกรธ ค, ความหลงไหลก็สู่จิต 2. ป้องกันศรัทธาเวียสติสมาธิปัญญาเป็นต้นไม่ให้ไหลออกไปโอ้โหต้องกันเลยให้กุศลธรรมเหล่านี้จะได้อยู่เกื้อกูลกระแสชีวิตทําให้กระแสชีวิตของท่านผู้นั้นดํารุตหน้าดําเนินไปสู่ศีลสมาธิปัญญาเพื่อเป็นปัจจัยกับการสิ้นกิเลสละก่องทุกข์ได้จริงดีไหมนี่สติไหม ทำหน้าที่เป็นคุค้นคังก็อย่างนะทำหน้าที่เป็น เ, เป็นยามหรือนายทวารบานก็อีกอย่าง อ, อปิบารต่อมาสติเนี่ยทำหน้าที่เปรียบเสมือนปรินายกแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิโอ้โหเนี่ยถ้าใครมีสติประเภทเนี่ยชัดมากเลยเปรินายกแก้วเนี่ยนะเขาจะมีหน้าที่ตรวจสอบหูยตรวจสอบไกลมาก ท่านใช้คำว่า16กิโลเมตรเนี่ยปริณายกแก้วจะสามารถรู้วาลาจิตของคนในบริเวณ16กิโลเมตรคือสามารถเข้าไปรู้เลยคนคนนี้มีจิตคิดประทุษร้ายพระราชาหรือมีจิตคิดเคารพนับถือพระราชาฉะนั้นโอ้โหปริญายกแก้วนี่จะกันมากเลยแล้วรู้เลยว่าทัพระราชาจะเสด็จไปหน้าที่ตรงเนี้ย ท่านจะกำหนดดูก่อนว่านี่ถิ่นตรงนี้จะเป็นประโยชน์แก่พระราชาหรือจะเป็นโทษแก่พระราชาควรให้ไปหรือไม่ควรให้ไปโอ้โหนี่ปริญญายกแก้เป็นอย่างนั้นถ้าใครมีสติประเภทนี้ฝึกสติประเภทนี้ได้ดีนี่นะจักกำหนดได้เลยว่าควรจะนําพากระแสชีวิตนี้ไปทางไหนเช่นถ้าจะเดินไปบินตลาด <laughs> ถ้าเป็นพระนีนะ่โอ้กาหนดเลยในทิศที่จะไปเนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษ ไปแล้วเนี่ยราคาตัวสามโมหาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นไหมจะเกิดขึ้นแล้วจะเจริญไพบุญไหมหรือถ้าไปแล้วจะได้กายทุจริตวจีทุจริตหรือจะได้กายสุจริตวจีสุจริตหรือมโนสุจริตสติเนี่ยคำนวณพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปในสถานที่ที่ได้ประโยชน์คือการได้ศีลสมาธิปัญญาได้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตได้ความไม่โลภความไม่โกรธได้ปัญญาเห็นไหมเช่นจะไปที่ต้นภรีมาโพก็ดีไปที่ปัะเจดีก็ดีเนี่ย เออเวลานี้ควรไปเวลานี้ไม่ควรไปวาละที่คนมามากเออนักบวชไม่ควรจะไปเดี๋ยวไปเบียดเสียดไปเสียศีลอย่างไงเสียการสำรวมมินรียอย่างไงบาปปกุศลธรรมมันชั่วร้ายจะเกิดขึ้นลากรสเจิตญใจอย่างไงโอ้ oh, ขนาดนั้นนะนี่นี่เห็นไหมสามารถกําหนดทิศทางให้ได้หมดแม้สถานที่ไปอยู่จะไปอยู่หน้าที่ไหนไปคบใครเนี่ยสติทําหน้าที่กรองปุ๊บปๆ๊บปุ๊บ ป, ป, ป, ปุไม่ใจหรืว่าเนี่ยถ้าเราไปคบกับคนเนี่ย ราคาโทสะโมหะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะพยัยบุญอันนี้ไม่ควรครบศีนที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะเสื่อมจะไม่ไปสติจะล็อกไว้เลยคนค น, นี้ไม่ควรเข้าไปใกล้ถ้าไปใกล้แล้วจะเสียหายอย่างมากออสถานที่ตรงนี้อาวาสตรงนี้ไปแล้วเนี่ยควรอยู่หรือไม่ควรอยู่อยู่แล้วกุศลธรรมเจริญหรือไม่เจริญโอ้โหกำหนดได้ขนาดนั้นอาหารประเภทนี้จะกินเนี่ย เออจะทําให้กุศลธรรมเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงนี่สติจะกํากับล็อกเลยเนะจะรู้เลยอ่ะคอยกํากับคอยเตือนจิตตลอดว่าถ้ากินอาหารประเภทนี้บาปอกุศลธรรมบชรุ่อะไรจะเกิดขึ้นท่านจะเมาในอาหารจะศึกษาว่าทำปฏิบัติธรรมในวันนี้ไม่ได้เรื่องเลยลาวแล้วเนี่ยสติจะคอยกํากับอย่างนี้เหมือนปริญนายกแก้วขนาดนั้นนลยเนะื้เห็นไหมว่าหนึ่งอาวาสก็ดีที่อยู่หรือเอาอุตุด้วยพิจารณาอุตุ เออถ้าอยู่อุตุอย่างเนี้ยกุศลเจริญดีอุตุแบบนี้กุศลไม่เจริญดีพื้นที่ตรงนี้กุศลเกิดดีพื้นที่ตรงนี้กุศลเกิดไม่ดีนั้นสติจะคอยกำกับค่อนข้างดีมากคนประเภทเนี agen, ้ยจะได้กุศลจะไม่เสียหายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นอุตุไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นบุคคลใช่ไหมหรือแม้การสนทนาเออถ้าจะสนทนาเรื่องเนี้ยกุศลธรรมเจริญขึ้นนะ แต่ถ้ากูสลถ้าไปสนทนากันในเรื่องนี้บาปจะเกิดเนี่ยอุญจะไม่จะไม่สนทนานั้นสติจะคอยกํากับคอยตรวจสอบคอยตรวจตาคอยวิจัยแยกแยะมองเห็นไหมพ่าสติที่เป็นประดุลดังปริญนา ย, ยกแก้วสำคัญหรือไม่สําคัญเพราะนั้นคนที่ฝึกสติประเภทนี้ได้ดีสติก็จะกํากับใจเขาไว้เนี่ยน ะ, ะถ้ามองแบบแบบชัดลงมาอีกถึงขนาดไหนรู้ไหม ถึงขนาดว่าถ้าจะนั่งอยู่อย่างนี้ถ้าจะมองไปทางทิศมองด้านซ้ายเนี่ยสติกต้องกำกับก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราหันซ้ายไปเนี่ ย, ยราคาโทสะโมหะบาปกุศลธรรมมันชั่วร้ายจะไหลราดลดสู่ใจเราไหมถ้า จะเหลียวไปเพราะไปดูก็ดีไปฟังเสียงก็ดีเนี่ยแต่ราคาโทรศัโมหะมานาทิถิวิจิกิชายิรการโนตรปะอุตจาบาปกสุรธรรมบรรทุกที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะไปบุญท่านจะไม่เหลียวเด็ดกาดสติจะล็อกไว้อย่าเหลียวเห็นไหมแม้แต่จะเหลียวซ้ายเหลียวขวาแลตรงแลเนจะมองไปทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องต่ําทิศเบื้องสูงเนี่ยสติจะกํากับก่อนว่าเหลียวไปแล้วจะได้ประโยชน์คือศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ หรือจะเสียหายศีลสมาธิปัญญาถ้าเหลียวไปทางทิศนี้เดินไปทางทิศนี้มองไปทางทิศนี้เป็นต้นเหล่านี้บาปกุศลธรรมอลามกทั้งหลายจะลาดลดจิตใจไหมละเอียดขนาดนั้นนะครับนี่ก็เรืสติประดุดดังปรินายกแก้วมันเป็นแบบนี้นะควรให้เกิดควรให้มีคนบางคนได้สติเพียงแค่ประดุดคุ้นคลัง แค่นั้นคอยตรวจสอบอะไรเป็นกุศลอกุศลคนบางคนละเอียดไปกว่านั้นอีกมีสติประดุดดังนายทวารบาลคนรักษาประตูคอยป้องกันบาปไม่เข้ากับคอยป้องกันกุศลไม่ให้ออกแต่ไม่กําหนดกําหนดไกลไม่ได้แต่บางค น, นมีสติประดุดดังปรินายกแก้วโอ้โหรอบทิศเลยเอาสรุปแล้วก็คือต้องฝึกไหมต้องฝึกให้สติมีลักษณะคุณสมบัติทั้งสามประการนี้ให้ได้ถ้าใครทําได้สุดยอดไหมเนี่ย ัโอกาสแห่งการเข้าถึงซึ่งพระนิพพานไม่ใช่ยากเย็นสำหรับกลุ่มบุคคลประเภทนี้เลยหรือถ้ า, าไปอยู่นที่ไหนก็เป็นคนเจริญใช่ไหมซั์เจริญลุ่งเลืองแน่นอนเนี่ ย, ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่บอกพ้องจากนั้นเหมือนกับปริญนายกแก้วก็จะกราบทูลพระเจ้าจากักรพรรดิกราบคูลเตือนพระราชาในราชกิจทั้งปวงอยู่เป็นนิดไม่ให้บอกพ้อง ทำให้พระเจ้าจักรพรรดิประกอบพระราชกรณียกิจทุกอย่างได้รู้ล่วงไปด้วยดีไม่ขาดตกบกพร่องไม่ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติแม้ฉันใดบุคคลที่มีสติกากับใจอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละก็จะสามารถกากับกระแสชีวิตของท่านผู้นั้นน่ให้ดำเนินไปในธรรมเนาะในคลองของกุศลให้ดาเนินไปตามมรรคาของพระชินเจ้าให้ดาเนินไปตามศรัทธา วุฒิยาสติสมาธิปัญญาให้ดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาให้ดําเนินไปตามกายสุจริตวจีสุดจริญมโนสุดจริญให้ดําเนินไปตามสติปัฏฐานสมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรพราพโพชงอรอยิยมรรตจักนี้ดําเนินจะไม่ให้เสื่อมเสียเลยว่าไงเลยบาปอกเสือรธรรมันชั่วร้ายทั้งหลายหมดโอกาสเลยเป็นการปิดกั้นอย่างดีเลยนะนี่เขาเรียกว่าสติเนี่ยต้องสา ม, มารถฝึกสติให้ได้คุณลักษณะทั้งสามประการ น, นี้หนึ่งเหมือนขุนคลังแก้ว สเหมือนนายทวานบานที่ดูแลอยู่ในพระราชวังเป็นยาม 3. เป็นเหมือนปรินายกแกว้วอันนี้สุดยอดแหละอันตรงนี้ก็อันนี้ฟังให้เกิดสุตตะแล้วก็ไปวิจัยให้ได้สุตตะมายปัญญาแล้วก็ไปไตรตรองใครควรวิจัยต่อไปทำโยนิโสมนัิการนี่เกิดขึ้นอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างติดต่อและต่อเนื่องทําจินตามายปัญญาให้เกิดขึ้นให้ได้แล้วต่อไปก็ให้ถึงขั้นปฏิบัติบําเพ็ญที่เป็นภาวนามายปัญญา เออตอนนี้ก็จะสามารถละบาป อ, อกุศลและการบันชั่ร้ายเป็นต้นได้พอมองเห็นหรือยั ง, ยงนี่ได้แล้วประการที่ 2, อาสองอสัมโมหะราัษาคําว่าอาสัมโมหะรักาเนี่ยแปลว่ามีการไม่หลงลืมเป็นกิจโมหะนี่แปลว่าหลงใช่ไหมอาสัมโมหะก็คือไม่หลงไม่หลงไม่ฟันเฟือนไม่เลือนหลงไม่หลงเป็นกิจคําว่าเป็นกิจนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่า ไอตัวสติเวลาทาหน้าที่ก็หมายความว่าการที่บุคคลสามารถทำงานจำการทำจำการงานที่ทำและคำพูดที่ล่วงมาแล้วไม่นานได้ก็เรียกว่าอะไรนะสติประเภทนี้ก็ร ะ, ะลึกได้ในกิจที่ทำคำที่พูดไม่นานได้โดยไม่หลงลืมไอการที่สามารถระลึกได้ในกิจที่ทำคำที่พูดไม่นานได้โดยไม่หลงลืมก็เพราะอะไรเพราะสตินี่แหละ สตินี่แหละแสดงบทบาทแสดงหน้าที่เคยบอกไว้แล้วใช่ไหมสติกับสัญญาต่างกันยังไงอ้าวอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านไหนมีโทรศัพท์อยู่หัวมุมนึงแต่มีสมุดโทรศัพท์อยู่มุมนี้ท่านไหนเดินเดินเดินมาใช่ไหมคุณก็เดินมาเดินมาก็เปิดโทรศัพท์พอคุณเปิดโทรศัพท์ปุ๊บคุณก็เห็นหมายเลขปุ๊บ พ อ, อ, อเห็นในขณะที่เห็นหมายเลขปุ๊บ ท, ทั้งโทรศัพท์นี่จําได้แล้วใช่ไหมไอาาการจําในลักษณะนี้เป็นสัญญาเมื่อจําแล้วเนี่ยต่อมาเดินต่อไปเดินจะเดินไปที่โทรศัพท์ในขณะที่เดินไปทโทรศัพทพ์นั้นก็ร ะ, ะลึกทบทวนาจิตที่ระลึกทบทวนหรือไอการระลึกทบทวนนี่เป็นอะไรนี่เป็นสติไอตัวสติตรงนี้จะระลึกระลึกจนสามารถเดินไปที่โทรศัพท์ก็ยังระลึกหมายเลขนั้นได้ ไม่หลงลืมไม่ฟั่นเฟือนลักษณะสติจะทำกิจแบบนี้แหละนั้นต้องแยกให้ออกในะระหว่างสัญญากับสติเพราะสติมีสัญญาเป็นเหตุกายด้วย <c oughs> คือไม่หลงลืมกเพราะสติเป็นผู้แสดงบทบาททำหน้าที่การที่บุคคลทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีการผิดพลาดไม่คลาดเคลื่อนเช่นการกระทำแม้คาพูดการคิดพิจารณากิจการงานต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีไม่มีการผิดพลาดเสียหายตามมาภายหลังหรือไม่มีโทษทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่นต่อสัตว์อื่นเป็นต้นเนี่ยกรเพราะบุคคลนั้นมีสตินี่แหละเป็นเครื่องคอยกำกับดูแลคอยควบคุมแล้วก็คุม้มครองป้องกันไว้ถ้าไม่มีสติเป็นผู้ทาหน้าที่คุ้มครองหลงหลืมแล้วบุคคลก็ทาอะไรตามสัญชาตญาณตามความนึกคิดตามนิสัย สับจริงๆท่านใช้คำว่าตามนิสัยสันดานเดิมที่สั่งสมมาคือสัญชาติญาณ น, น่อยู่ด้วยสัญชาติญาณโดยขาดการยั้งคิดว่าควรทำไม่ควรทำผิดถูกไงอายกตัวยอย่างเช่นว่าคนขาดสติเห็นได้ชัดเออเอาสุนัขนี่เขาจะมีเรื่องเขามีสัญญาสามหนึ่งสัตยราดชะดีกว่าอย่าอย่าเจาะจองเฉพาะสุนัข เขาจะมีกามสัญญารู้จักเสพกามเนไหก็คือเขาจะมีโคจาราสัญญาหากินไปหากินตามสัญชาตญาณหิวประการที่สก็จะมีมรณะสัญญากลัวตายเนี่ยเขาจะมีสัญญา3ามเนี่ยชัดเลยเด่นมากนี่อยู่ด้วยสัญชาตญาณมนุษย์บางคนหรือคนบางพวกวางกลุ่มก็อยู่ด้วยด้วยสัญญา3ามนี่แหละอยู่ด้วยสัญชาตญาณ ไม่ได้อยู่ด้วยกำลังของสติอะไรหรอกเป็นมิจฉาสติเป็นการระลึกผิดด้วยซ้ไปอยู่ก็ บ, บริโภคกามหมกมุ่นในกามแล้วก็หากินแล้วก็กลัวตายแต่ไอธรรมะสัญญาเนี่ยนะไอธรรมะสัญญาเนี่ยที่จะเป็นกลุ่มในด้านของกุศลธรรมทั้งหลายเลยเนี่ยที่จะมีสัญญาจํามีคุณธรรมภายในใจที่จะเป็นตัวเป็นแรงกระตุ้นเตือนให้สติเกิดกลุ่มพวกนี้จะไม่ค่อยมีขาดการยั่งคิด ก็ไม่สามารถจะแยกแยะว่าอะไรควรก็มีการถูกบ้างผิดบ้างแต่โดยมากแล้วก็ผิดพลาดเนี่ยทั้งโดยกฎหมายเสรธรรมอะไรก็แล้วแต่ผิดพลาดหลงลืมสติตลอดนี่เป็นช่องทางให้อกุศลทั้งหลายมีโลภะโทสะโมหะเป็นต้นครอบงำจ้าไม่ว่าจะทําจะพูดจะคิดก็จะเป็นไปในทางที่ราคะโทสะโมหะเขาครอบงําอยู่ตลอดเวลาเลยนี่เป็นอย่างนี้เออให้สังเกตตัวนีน้สติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความหลงลืมซึ่งผิดกับสัญญานี สัญญาไม่ได้ตรงข้ามกับความหลงลืมนะฉั้นคนที่มีสติเนี่ยจะไม่ค่อยหลงลืมเพราะสติเนี่ยจะเป็นตัวระลึกตลอดระลึกระลึกนะทำกิจในการระลึกที่มีสัญญาที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ก็จะสามารถกําจัดความหลงลืมและช่วยป้องกันช่วยตักเตือนไม่ให้เกิดความหลงลืมด้วยฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะว่าตัวสติจะเป็นอย่างนั้นสติจะคอยป้องกัน มีสองส่วนนะหนึ่งป้องกันไม่เกิดความหลงลืมและอย่างหนึ่งก็คือว่ากาจัดกาจัดความหลงลืมมีสองส่วนป้องกันกับกาจัดมีการกำจัดความหลงลืมกับป้องกันช่วยตักเตือนไม่ห้เกิดความหลงลืมเป็นธรรมจะเห็นได้ชัดว่า เป็นธรรมที่ประกอบกับจิตที่เป็นโสภนะคือจิตที่ดีงามจิตที่สวยงามเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กระตุ้นเตือนสัมยุท ธ, ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นพร้อมกันกันกบตนสติก็จะมีหน้าที่ระลึกระลึกระลึกแล้วก็จะกระตุ้นเตือนพวกเวทนาขันสัญญาขันสังการและขันวิญญาณขันกระตุ้นโดยเนะีไปกระตุ้นกลุ่มนามธรรมหรือสัมยุท ธ, ธรรมอื่นอให้ระลึกถึงเหตรุระลึกถึงผลเหตดุดีผลดีลเหตุไม่ดีผลไม่ดีที่จะเกิดขึ้น จากการกระทาจา ก, กําพูดจากการคิดหรือากิจการงานต่างๆให้ทีท้วนแล้วก็จะระลึกถึงจริยธรรมคุณธรรมอะไรก็แล้วแต่ระลึกถึงคุณความดีทั้งหลายเนี่ยให้ระลึกถึงศีลระลึกถึงสมาธิให้ระลึกถึงปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณนทัศนะนเป็นต้นอันเป็นเหตุนำมาซึ่งเป็นกุศลทําให้คนได้ประโยชน์เนี่ ให้เกิดผลอย่างมหาศาลสําหรับบคุคคลที่หมั่นฝึกฝนอบรมสติให้เกิดขึ้นในขันธสันดานอยู่เสมอเนะี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องพยายามฝึกฝึกให้มีให้เกิดขึ้นจริ ง, รงๆนะพอฝึกให้เกิดขึ้นกันมาจริงอ่ะสติเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากก็จะทํากิจของเขาอย่างเขาจะทําหน้าที่ทําการงานของเขาโดยชนิดที่ว่าเพียงเราให้เหตุปัจจัยเขาแค่นี้เขาก็จะทําหน้าที่ของเขาในการที่จะไปกระตุ้นเตือน สภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกันกับเขาเนี่ยให้ทํากิจนะป้องกันการหลงลืมกําจัดความหลงลืมเป็นต้นไม่พอแล้วก็ยังไปพิจารณาเหตุพิจารณาผลขณะทำขณะพูดขณะคิดใดๆก็แล้วแต่ก็จะเป็นไปกับเหตุเป็นไปกับผลเป็นไปกับสิ่งที่ควรและไม่ควรเป็นไปกับการที่จะทําให้ดําเนินไปสูส่กุศลอย่างที่เป็นต้น จะไม่ปล่อยให้บาปปรการฆ่าโทสะโมหะเนี่ยเกิดเลยเนี่ยก็คอยกํากับจิตรักษาจิตเนี่ยเาเรียกว่ารักษาใจให้เป็นไปกับกุศลรักษาพฤติกรรมให้เป็นไปกับกุศลรักษาคําพูดที่เป็นไปกับกุศลคุณความดีทั้งหลายเหล่านี้นี่เขาจะกํากับไว้นะแล้วเขาจะดึงเหตุดึงผลอะไรมาตลอดเนี่ยเหตุในอดีตทั้งดึงมาดึงไปทั้งหลายเนี่ยเขากํากับก็ได้ในีตัวสติเนี่ยกำกับจิตให้อยู่ไว้ในให้อยู่กับอารมณ์ก็ได้กํากับจิตหรือกำหรือจำหรือว่า ดึงอารมณ์นั้นไม่ให้หลุดลอยไปจากจิตเขาก็ททำได้โอ้จะสามารถดึงอารมณ์ในอดีตใหมาใหมาใหใหมาสู่จิตก็ได้โอ้ขนาดนั้นเลยเช่นว่าอารมณ์นั้นผ่านมาแล้วตั้งนานเนสติบกลับไปดึงมาให้ปัญญาตรวจสอบวิจัยแยกแยะได้ดึงมาดึงไปได้โอ้สตินี่สุดยอดจริงๆถ้าใครฝึกได้นี่นั้นงั้น คนที่ไปอ่านหนังสือคนที่ไปทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้ารู้และเข้าใจหน่อยนะว่าเราจะกําลังฝึกสติหรือจเจริญสติยังไงเนะี่ยสติจะแข็งแรงคนประเภทเนี้เวลาพูดอะไรทําอะไรทั้งหลายเหล่านี้จําแม่นยําถี่ท้วนเลยน ะ, ะเคยพูดอะไรเคยทำอะไรมันจะสังเกต ป, ป, ป, ปื๊ดปื๊ตลอดเลยนะจะเลือกเลืกเลลื ก, ล ก, ลกมันจะไม่ฟังอะไรแบบเลื่อนลอยเราเคยเป็นใช่ไหมเวลาใครพูดอะไรก็ปล่อยเลยไปเนี่ยก็แบบปล่อยแหละหนึ่ง ไม่กำกับจิตให้อยู่กับอารมณ์สองปล่อยให้อารมณ์นั้นหลุดลอยไปอย่างนี้เขาเรียกว่าคนไม่เจริญสติตอนเห็นอะไรมากๆก็สักแต่ว่าเห็นไปงั้นไม่ได้กำกับไว้เลยว่าไม่ได้กำกับรละลึกตรวจสอบไม่ละเอียดอ่อนไม่วิจัยไม่แยกแยะก็กลายเป็นคนหยาบหยาบพอมองเห็นนี่อย่างตองนนี้อ้าวต่อไปก็คือดูอาการปรากฏสติเวลาเกิดอาการปรากฏเกิดขึ้นมาจากคาว่าอารักขาปัจจุปทานาว่า หรือวิสยาพิมกขะภาวะประยุติฐานามีสองสผลของเขาเนี่นะมันจะมีว่าผลที่ปรากฏอาการที่ปรากฏขึเรียกผลที่เกิดขึ้นหลังจากเจริญสติแล้วมันจะมีผลยังไงสังเกตยังไงว่าตอนนี้สติมันเกิดมาเป็นดอกเป็นผลขึ้นมาแล้วเนี่ยมันชัดเจนแล้วสำหรับบุคคลที่เจริญเนี่ยมันจะแสดงอาการปรากฏออกมาเย็น เห็นยังไงมีการรักษาอารมณ์ไว้ไม่ออกไปจากจิตเป็นอาการปรากฏรักษาไหมคืออารมณ์ใดๆที่ผ่านเข้ามาปุ๊บรักษาไว้รักษาไว้เขเรียกว่าจับอารมณ์นั้นไว้วางั่นเองมีการจดจ่อต่ออารมณ์เป็นอาการปรากฏจดจ่อนั้นถ้าจะระลึกในเรื่องใดก็จะจดจ่อในเรื่องนั้นระลึกระลึกระลึกอยู่ในเรื่องนั้นตลอดเหมือนคนอ่านหนังสือเนี่ยจิตก็จะระลึกระลึกอยู่ในสิ่งที่อ่านมันไม่เลื่อนลอยไปไหน ระลึกระลึกจนสามารถจับประเด็นอะไรที่ชัดเนี่ยซึ่งบางคนอ่านไปเธอแต่จับประเด็นไม่ชัดแค่อ่านคําหน้าอ่านอ่านไปเรื่อยๆไอ้คำหลังก็ลืมเคยเป็นไหมอ่านไปเรื่อยๆไอ้ข้างหน้าก็ไม่ระลึกจำํำก็ไว้ลืมปล่อยอารมณ์ผ่านไปปล่อยเรื่องราวนั้นผ่านไปคนประเภทนี้เขาฝึกไม่เป็นแท้ที่จริงอ่ะมนุษย์ฝึกเป็นแล้วก็ยังไปสำทับตัวเองว่าผมเป็นคนความจําไม่ดีด้วยไม่ได้เรื่องเลยองเงี้ย เคยไหเคยบอกตัวเองไหมผมเป็นคนความจำไม่ด hmm. ีคร <gasps> <Dog IX> <ray love schön> ับว่างั้นล็อกตัวเองไปอย่างนั้นลทิ้งถีก็ล็อกไอความเข้าใจนามาทําก็ไปล็อกแล้วก็บอกตัวเองตลอดว่าความจำไม่ดีแล้วก็จะความจำไม่ดีตลอดชีวิตห้ามห้ามกันตัวเองอย่างนี้ไอคนลักษณะแบบเนี้ยเหมือนคนบางคนบอกผมเป็นคนขี้โกรธว่างั้นมันก็เป็นกนอย่างนั้นแหละเออผมเป็นคนไม่ขยันเน่เนี่ยผมเป็นคนไม่มีศรัทธาเนี้ย ผมไม่ชอบสิ่งนี้แล้วมันก็จะไม่ชอบตลอดไปองั้นหลยเพราะเป็นล็อกไอ้คนที่เป็นล็อกเอาทิฐิไป็ล็อกไว้อย่างนั้นแล้วมันพัฒนาต่อได้ไหมเนี่ยคนคนไม่รู้ว่าจะใช้สติยังไงกับการไปใช้ทิฐิล็อกความเห็นว่าเราความจําไม่ดีล็อกความเห็นว่าเราเป็นคนเกียจข้านล็อกความเห็นว่าเราทําไม่ได้ล็อกความเห็นว่าเราคงไม่บรรลุธรรล็อกล็อกความเห็นว่าเราคนล้มเหลวตลอดชีวิตล็อกความเห็นว่าเราไม่สามารถจะสู้คนนั้นได้อะไรก็แล้วแต่เถอะ กลุ่มที่เป็นล็อกๆๆๆตัวเองไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ฉลาดในกลุ่มกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายไม่ฉลาดในจิตคนไม่ฉลาดในวาพาวาลาจิตอย่างนี้จะฝึกจิตได้ไหมหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ธในการที่จะฝึกได้นี่เป็นอย่างนี้นั่นอย่าก็เรียกว่าแม้ถ้าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาบอกว่า เราไม่ได้เป็นพระผู้ได้เจ้าหรอกจะจะมีพระผู้เจ้าบาดเกิดขึ้นไหมโอ้ยพระเจ้าตอนที่เจ้าชายเสด็จไปเราเป็นผู้เลือกที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐ ท, ที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราจะไม่มีต่อไปโอ้โหบอกประกาศยืนยันเลยท่านเป็นได้แน่ท่านเป็นผู้เลือกที่สุดแน่ท่านเป็นผู้เจริญที่สุดอย่างแน่นอนท่านเป็นผู้ประเสริฐที่สุดอย่างแน่นอนและท่านบอกชาตินี้แหละเป็นชาติสุดท้ายเราอ่ะ พอได้ยืนอย่างนี้ขึ้นมาโอ้เราก็ไปโอ้พรพุทธเจ้าสุดยอดแล้วแต่เราแย่เลยทีนึจริงๆเนะี่ยเห็นไหมหลายๆอย่างเราเป็นคนใช้ทิฏฐิเป็นกับดักกักความสำเร็จของตนเองใช้ความเห็นผิดเป็นกับดักกักกัน้นหรือกักความสำเร็จของตนเองเรียบร้อยไปแล้ว แล้วก็ไม่ใช่กากชั้นเดียวด้วยบางคนกากตั้งเป็น7ชั้น20ชั้นร0อยชั้นหรือพันชั้นจนไม่สามารถจะแกะกับดักตนเองที่ดักความสำเร็จของตอนเองนะกับดักทำให้ตนเองไม่สามารถทำให้ปัญญาไม่สามารถจะแหวกกับดักเหล่านั้นออกมาสู่ความเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างแท้จริงเลยใช่ไหมน่ากลัวมากคนที่คิดแบบนี้ เอออีกอย่างหนึ่งผลที่ประจักษ์ของสติก็คือการรักษาสภาวะธรรมสภาวะของอารมณ์ที่จิตเข้าไปรับรู้หรือยึดหน่วงอารมณ์ไว้ไม่ได้ไม่ให้หายไปอารมณ์บางอย่างนี่นะรูปที่ผ่านเข้ามาในผ่านเข้ามาสู่กับจิตเนี่ยนะเสียงกลิ่นรสผดพปะและธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในใจอ่ะหลายอย่างแล้วปล่อยไปเลยนะที่เป็นกุศลเยอะแยะหมดเลยนะครับ น่าเสียดายมากเลยทุกวันนี้ก็ต้องหาภาพหาอะไรไปถ่ายกันเอาใช่ไหมไม่มันไม่ค่อยดีแล้วครับเนี่ยคุณเป็นคนถ่ายภาพเนี่ยเก่งๆเพราะถ่ายภาพเสร็จก็ไปทิ้งไว้ให้กล้องเป็นผู้รักษาไว้ให้เมมโมรีเป็นตัวเก็บข้อมูลไว้ยุ่งเลยเพอไปคิดอย่างนี้เบดเสร็จก็คือไม่พยายามไปจำไว้ทั้งๆ ท, ที่ใจเราเนี่ยเป็นเมมโมรีที่จาสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดเรื่องดีๆทั้งหลายเหล่านี้ นะครับแตเข้าเลยกลายเป็นคนโล่งๆว่างๆไปเลยไม่มีอะไรเลยในนี้เพราะเราไปปล่อยเข้าไปนะครับเรื่องดีๆเยอะหมดทานกุศลที่เคยทําสินกุศลที่เคยเจริญทั้งหลายเยอะมากสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายเหล่านี้ภาพดีๆมีคุณของพระเจ้าทั้งหลายในภาพของพระพุทธรูปเอ่ยภาพความจดจําสิ่งดีๆทั้งหลายที่เราได้ทําสิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านี้ในโลกไปนี้หลายคนจําไม่ได้แล้วเรียบร้อยไปแล้ว ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอนุสติได้ๆแล้วหมดสิทธิ์เพราะอะไรเพราะไม่เจริญสติประเภทนี้ไม่รักษาอารมณ์ที่จิตเข้าไปรับรู้ไว้หรือมันสติจะต้องยึดหน่วงอารมณ์ไว้ไม่ให้เลือนหายไปเนะี่ยทให้สามารถระลึกนึกถึงได้อยู่เสมอในยามที่ต้องการตอนนี้ในยามที่ต้องการระลึกได้ไหมไม่ได้เลยเราปล่อยไปตั้งนานแล้วนั่นเขาระลึกไม่ออกระลึกไม่ได้โอยน่าเสียดายมากบางคนลงทุนนะ ผมไปผมไปเกิดความรู้สึกตรงนี้ตอนผมไปอินเดียนะครับพอเรไปอินเดียไปสถานที่ประสูตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสถานที่ตัสรุนุตรสัมมาสัมโพธิญาณไปสถานที่แสดงพระธรรมจักรให้เป็นไปไปสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานไปวัดเวรุวันไปเขาคิชฌกูฏเนี่ยไปตะโปทารามเนะียผมนึกถึงประสูตรได้หมดแล้วครับ ไปถึงกูตาคารสาราป่ามหาวันไปเวสาลีไปสาวัตถีนีไปหมดแหละไปไปไปไปผมก็เขาก็พากันถ่ายภาพกันใหญ่แหละผมไม่ค่อยถ่ายกับเขาแล้วครับผมไม่มีพวกภาพพวกนี้ไปผมไประลึกผมต้องระลึกระลึกระลึกระลึกระลึกระลึกเนี่ผมรู้วิธีการจะทําให้สติทํางานเป็นยังไงยังไงผมจะไปอยู่นะที่ไหนไปว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในกํากับใช่ไหมสติล็อก อารมณ์นี้ไว้เรียบร้อยรักษาอารมณ์นี้ไว้ไม่ให้อารมณ์นี้ไม่ให้เรื่องราวนี้เลือนเลอะเลือนออกไปจากจิตแล้วผมมั่นใจว่าผมจะเอาทําเป็นมรณานุสติก่อนตายได้เอาทําเป็นอนุสติเอาไว้ระลึกในยามที่ผมไม่สามารถจะไปได้แล้วผมไม่สามารถจะนําพากระแสะชีวิตไปได้แล้วเนี่ยผมก็ลึกระลึ ก, ล ก, ลกผมเนี่ยผมก็รักษาโอ้เห็นภาพหมดแล้วครับ เนี่ยพอนึกๆกเนี่ยประดุดดังเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหลายเหมือนเพิ่งไปมาเลยข้าตาวงี้ได้ไหมเวลานั่งอยู่ระลึกแหมระลึกถึงขนาดว่าเหมือนตนเองไปเดินนะฐานที่ตรงนั้นจําได้หมดนะเหมือนเพิ่งไปเดินมาเลยเดินรอบงี้ครับเดินรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์เดินรอบพระเจดีย์พุทธกยาเดินรอบเข้าไปไหนไปไหว้พุทธเมตตาทั้งหลายไปที่รัตนะ เลยเนะบลัตนาบาลังตรงในรัตนะาคารเจดีเป็นยังไงมิสเจดีรัตนะาคารเจดีไหมอาชาปาระณีโคเจดีสมุตสามุจลินสะเจดีเป็นไงราชาลัจเจดีไปหมดเลยเนี่ยไปผมก็เลยไปลึกลึกๆลยกลึกทรงจําไว้ให้เป็นอะไรอนุสติอะไรเป็นตัวระลึกไว้อะไรเป็นตัวรักษาไว้สตินี่แหละรักษาอารมณ์นั้นไม่เลือนไปจากจิตไม่เลอะเลือนใช่ไหมถ้า ถ้าหากว่าตอนนี้ลืมหมดแล้วสิ่งดีๆลืมหมดแล้วแต่ถ้าสิ่งไม่ดีผมไม่ค่อยระลึกสิ่งที่เราทําไม่ดีไว้ผมไม่ค่อยไประลึกถ้าระลึกแล้วพระพุทธส ม, มาทานนั้นทีว่าจะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นอีกจะไม่บาปชนิดนั้นไหลเข้าสู่จิตอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนะี่ยมันจะทําอย่างนี้ดีไหมทําแบบนี้เออเนี่ยลักษณะนี้ก็เลยฝึกการเจริญสตินะนี่แหละไม่ให้เลือนหายไปทําให้สามารถระลึกได้เสมอในยามที่ต้องการเพราะฉะนั้น การที่บุคคลสามารถระลึกถึงสิ่งต่างๆได้โดยที่สิ่งนั้นไม่ได้มาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่เมื่อประสบเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันหรือมีเหตุการณ์ที่ต้องให้ระลึกได้สภาพของสติก็ย่อมปรากฏขึ้นมาก็คือจูนสัญญาของอารมณ์ให้เข้าสู่มโนทวารภาพของอารมณ์นั้นก็ปรากฏที่ใจทันทีเหมือนเห็นด้วยตานี้เป็นการปรากฏของสติหรือรักษาอารมณ์ไว้ไม่ออกไปจากจิตนั่นเองจูนได้ทุกเวลาปื๊ดได้ไหม สิงดีๆได้ได้ไดบา้างยังตอนเนี้ยต้องฝึกนะเพราะเป็นคนไม่ไม่พยายามจําเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมเปลี่ยนความรู้สึกใหม่เปลี่ยนมนุิการใหม่ใส่ใจใหม่สติเนี่ยยังมีภาวะเหมือนอะไรเหมือนกับการจดจ่อต่ออารมณ์ไม่ไม่ไม่ยอมละห่างด้วยเนะี่ยเหมือนบุคคลจดจ่อต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตนเองใส่ใจเป็นพิเศษเคยได้ยินคําว่าต้องตาต้องใจไหมเออ ต้องตาต้องใจหรือเหมือนถ้าในคำสอนก็จะเหมือนแมลงพึ่งที่จดจอ่ตอตะเกสอนดอกไม้ไม่ยอมละห่างไปใช่ไหมแมลงพึ่งนีนจดจอ่จอเกสอนส ต, ติก็เหมือนกันผูกพันอยู่กับอารมณ์ที่จิตเข้าไปรับมาถ้าอารมณ์นั้นมีอิทธิพลต่อจิตมากโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่ดีงามสติก็จะจดจอ่อารมไม่มากยิ่งขึ้นทันตรงนี้ก็เวลาไปดู บางคนไปดูใจไม่จดจอ่อเกิดมาทั้งทีปีติไม่เกิดกับเขาแล้วพวกนี้สติอ่อนแอเขาไปพูดเรื่องอะไรให้ตื่นเต้นอะไรเฉยเฉยไม่จดจอ่อไม่จดจ่อเลยพวกนั้จะเฉยเเรื่อยเรื่อยเอืยเคยเป็นไหมไอ้อโรคประเภทเนี้ตรงกันข้ามนะครับถ้าไปเกี่ยวเรื่องการมาคุณอุ้ยตื่นเต้นตัวสัน่นเนื้อเนื้อเต้นหนึ่งยึกยึ แต่พอเป็นกุศลแล้วเฉยๆเรื่อยๆเอือยโอ้โหเสียหายแล้วเนี่ยคนประเภทนี้เสีอาายอาการปรากฏของสติไม่เช็ดไม่ชัดเข้าใจอย่างเนี้ยอภการสุดท้ายทีละสัญญาปัฏฐานาวาหรือสติปัฏฐานาปัฏฐานามี2 ส, ส่วน2 ส, ส่วนนะว่าเหตุใกล้ของสติสติเนะียมีความจําที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนะี่ยมีความจําที่มั่นคงหรือมีสติปัฏฐานสี่เป็นเหตุใกล้ก็หมายถึงอะไรเนี่ย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 บางคนแยกไม่ออกนะบางคนไม่รู้เรื่องเลยถามว่าอ้าวพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยจะาไอสีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติมรณานุสติเป็นต้นเหล่านี้ถามว่านุสติเหล่านี้อยู่ในหมวดของกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาหรือธรรมานุปัสนาเป็นธรรมานุปัสนาเนะนีเป็นเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน ฉะนั้นบางทีบอกสติปัฏฐานสี่คนก็ไปอ่านนะในสติปัฏฐานสี่พอโยกไปถึงเรื่องอื่นขึ้นมาเช่นไประลึกถึงศีลนะเนี่ยจะเป็นกรรมฐานหมวดไหนนะเป็นศีลานุสติธรรมานุภัสสนเดี๋ยวขยายตรงนี้นิดหนึ่งนะก็หมายความว่ามีสัญญา ท, ที่ที่จำได้อย่างแม่นยำนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดถ้าบุคคลมีความจาเยี่ยม มีความจำที่ดีนะย่อมเป็นเหตุให้เกิดสติได้อย่างฉับว่องไวด้วยเพราะเห็นสิ่งใดก็สามารถลึกได้อย่างรวดเร็วและจำได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเนี่ยที่จริงมันคู่กันเหตุผลที่มนุษย์จะจำได้หรือจำไม่ได้ทั้งหลายเนี่ยเพราะสติกับสัญญานี่เขาเขาเกิดคู่กันน่เวลาเข้าไปเห็นสิ่งใดแล้วเนี่ยสัญญาก็ทำเครื่องหมายสิ่งนั้นไว ทีนี้เมื่อทําเครื่องหมายแล้วเนี่ยสติก็ทํางานอย่างรวดเร็วในการระลึกระลึกระลึกระลงติดต่อต่อเนื่องนะระลึกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกในสิ่งนั้นเพราะคิดว่าสิ่งตรงนี้จะเกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจเหมือนคนเดินทางไปในป่าก็ไปทําเครื่องหมายเดินเดินเดินไปก็ใช้มีดตัดปึ๊บกิ่งไม้ไว้เพราจะต้องเดินกลับทางนี้่ เดินไปสักพักหนึ่งก็ตัดไว้ตัดไว้ตัดไว้ตไวแต่ก็ระลึกไว้นะระลึกต่อเนื่องระลึกต่อเนื่องไอ้ตรงนั้นเราตัดกิ่งอะไรตอนนี้เราตัดกิ่งอะไรทั้งหลายนี่จําำจำจำจ ำ, จำทำเครื่องหมายไว้ขากลับไม่หลงเลยเดนี้ <c ười> คนที่ทําเครื่องหมายเพราะสัญญากสติทํางานร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะเนี่ยเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญภัยบุญงอกงามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นช่วยป้องกันเลยนะ อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสื่อมแล้วหมดไปเนี่ยบัณฑิตพึงเห็นเหมือนเสาเขื่อนด้วยสติเนี่ยเขาเราียกว่ามีตัวสัญญาที่จําไว้อย่างมั่นคงเนี่ยนะก็เป็นเหตุให้กุศลพอจําได้อย่างมั่นคงไอ้สัญญามั่นคงเท่าไหร่จําในสิ่งที่ดีนะก็จะเป็นปัจจัยต่อการเจริญกุศลได้ดีเท่านั้นแหละบัณฑิตกขเห็นเหมือนเสาเขื่อนย่อมตั้งอยู่ในลมอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมชั้นใด สติก็ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความหลงลืมแล้วก็ตั้งได้อย่างมั่นคงในรมฉันนั้นเหมือนกันนี่เป็นไปอย่างนี้อย่างที่ยกตัวอย่างนั่นแหละสติเหมือนนายทาวารที่รักษาประตูเป็นเครื่องรักษาทาวารทั้งหลายก็คือสติก็เวอย่างอินเดียสังวรเนี่ยสติก็ทําหน้าที่ในการรักษาทางทาวารตาทาวารหูทาวารจมูกทาวารลิ้นทาวารกายทาวารใจไม่ให้ราคะความกําหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงไหลไหลลงสู่ใจ เนี่ยเป็นอย่างนี้ในะรักษาเลยปิดแล้วก็จะทําให้กุศลเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นมีแต่สิ่งที่ดีๆผ่านเข้าไปสู่ใจได้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือมีกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยเป็นสถานที่ทํางานของสติก็แปล ว, ว่าสติเมื่อรละลึกอยู่ในธรรมะเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถทําให้กุศลธรรมเนี่ยจเจริญไพ่บูรณ์ยิ่งยๆขึ้นไปแล้วในที่สุดจริงๆเ่ยสติก็จะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อ สติตอเป็นปัจจัยต่อสมาธิเป็นปัจจัยต่อความเพียรนะแล้วก็เป็นปัจจัยต่อปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลทั้งหลายเหลา่านี้ก็คือการเริ่มต้นจากการฝึกสตินี่แหละฉะนั้นตรงนี้จะไม่ตามเข้าไปรายละเอียดให้รู้ว่าสติปัฏฐานเป็นเหตุใกล้ในการที่ทําให้สติบริบูรณ์ด้วยสติมีประมาทะคือความประมาทมัวเมาเนี่ยเป็นเหตุเศร้าหมองนะหมายถึงอะไร บุคคลที่ประมาทเลเร่ชอบสั่งสมความประมาทขนขวายกิจที่เป็นเหตุให้เกิดความประมาทขาดสติไม่ค่อยได้คิดนึกพิจารณาไตรตรองให้รอบครอบก่อนแล้วก็ทำพูดคิดเป็นคนแบบไม่ละเอียดเป็นคนหยบหยาบคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรก็ไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนแบบนี้อันนี้มีความประมาทเนี่ยเป็นตัวทาลายเป็นตัวเอาหมองเลยเมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะทาพูดคิด สิ่งใดให้รับผลดีมีความถูกต้องไม่ผิดพลาดเสียหายย่อมเป็นไปได้ยากเลยคนประเภทนี้เพราะความประมาทมัวเมาเป็นเครื่องปิดกัน้นปิดกั้นอะไรปิดกั้นกระแสของสติไม่ปรากฏออกมาได้เต็มที่และในขณะเดียวกันนะความประมาทก็เป็นตัวบั่นทอนทําลายกําลังของสติให้อ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆผลการงานต่างๆก็จะเกิดความเสียหาย การกระทําอะไรก็เสียหายบวชเข้ามาก็ไม่ได้ปรับปรุงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดๆหรอกเพราะประมาทนะไม่ว่าจะทําจะพูดจะคิดใดๆประมาทหมดเลยเนี่ยไม่ได้กุศลนะนั้นสติจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทางกิจที่เป็นทางโลกและทางธรรมะเพราะช่วยอุปการะธรรมะอื่นๆในการทํากิจของตนในทางที่ชอบแล้วก็เป็นเหตุให้การระลึกได้อย่างเท่าทันระลึกไปในเหตุในผลเป็นต้นฉะนั้นบุกกิจการการงานที่จะทําจะพูดจะคิด ก็จะยับยัง้งไม่เกิดความผิดพลาดไม่เสื่อมเสียสติก็เป็นธรรมะฝ่ายดีด้วยเป็นธรรมะฝ่ายขาวเท่านั้นไม่สามารถเข้าร่วมกับฝ่ายดําได้สติไม่สามารถไปเกิดร่วมกับราคะโทสะโมหะได้นะเป็นการงานเป็นไปในฝ่ายที่ดีเป็นไปในกลุ่มที่เป็นไปกับทางด้านของจริยธรรมที่มีการเจริญสินสมาธิปัญญาขึ้นเนี่ยนะนี่เป็นไปแล้วนะและสติมีความประมาทมัวเมาเป็นเหตุให้เศร้าหมองและสติมีอะไรเป็นเหตุผ่องแพ่่ สติก็มีโยนิสโสมณสิกาละเป็นเหตุแห่งความพ่องแพ้วออการที่บุคคลเป็นคนที่หมั่นคิดพิจารณาเหตุพิจารณาผลต่างๆอยู่เสมอจะทำให้สัญญาเนี่ยความจาได้หมายรู้ในสิ่งที่ถูกที่ควรเนี่ยจได้หมายรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์หมายรู้ในสิ่งที่ไม่มีโทษนะก็คือหมายความว่าจะแยกแยะได้สิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์สิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้ไม่มีโทษ เป็นเครื่องเจริญของสติทําให้สติสามารถระลึกรู้สิ่งทั้งหลายได้เป็นอย่างดีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มกําลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอความมะลึกอยู่ให้มากยิ่งยงขึ้นไปจนสามารถรู้เท่าทานสิ่งต่างๆพร้อมทั้งเหตุและผลเนสติจะดึงข้อมูลให้ปัญญาตรวจสอบตรวจสอบในที่สุดจริงๆก็จะสามารถเดินกุศลพัฒนาปัญญาได้ก็ด้วยอาศัยสตินี่แหละนั้นสติจึงมี2องประการเนี่นนอภิลาปนาลัคนาสติกับ2 อ, อุปปัค น, นะลัคณาสติ สติที่เตือนให้ระลึกถึงธรรมทั้งหลายกับสติที่เตือนให้เลือกเอาธรรมที่ควรเสพมันมี2 ส, ส่วนนะครับ1สติที่เตือนให้ระลึกถึงธรรมทั้งหลายก็เรียกอปิลาปนาปีนาลัคนาสติมีไหมสติข้อนี้มีไหมทําให้เราระลึกถึงกุศลบ่อยๆระลึกถึงศรัทธาระลึกถึงความเพียร แลลึกถึงทานกุศลแล้ลึกถึงศีลกุศลแล้ลึกสิ่งดีๆงามๆที่เคยทำอ่ะอย่างนี้เขาเราียกอภิลาปะนะักคณาสติที่คอยระลึกถึงธรรมทั้งหลายเตือในให้ลึกถึงในธรรมทั้งหลายสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์สิ่งนี้เป็นสติปัฏฐานทว่าตามหลักก็สติปัฏฐานสมมาปัฏฐานอิทธิบาทอิสีพระพโอชงอริยมร์เนี่ยหลังนั้นเดี๋ยวลึกถึงกรรมฐานสมถากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานแลลึกถึงฌานอภินยาลึกถึงสมาบัติ ระ ล, ลึกถึงวิชาระ ล, ลึกถึงวิวมุตเป็นต้นเหล่านี้ระลึกถึงทานศีลภาวนาระ ล, ลึกบ่อยไหมไม่ค่อยระลึกเลยเนี่ยเราไม่มีอภิราป็าปนนราคนาสติเตือนให้ระ ล, ลึกถึงธรรมเหล่านี้แล้วก็ทีนี้พอเตือนเบ็ดเสร็จแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้ได้ย่อมไม่ซ่องเสพธรรมที่ไม่ควรเสพ ก็จะเสพธรรมะที่ควรเสพเท่า น, นั้นอภิลาคันลักณาจริงหมายถึงสติที่ประกอบทั่วไปในจิตที่เป็นฝ่ายดีก็ส่วพนพระจิตเนี่ยย่อมให้ระลึกถึงกุศลธรรมโดยทําหน้าที่กั้นกระแสนิวรธรรมไม่ไ ห, หลเข้าสู่ใจได้ส่วนจะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาก็ตามย่อมสามารถให้ระลึกถึงกุศลธรรมโดยชอบได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมเขาจะสามารถระลึกได้ พระพุทธพจน์จะมีคําว่าสติเตสังนิวรณังเคยได้ยินไหมครับสติเป็นทาน็อปกั้นกระแสบาปอันนี้สติในที่นี้มีหน้าที่ในการระลึกถึงสิ่งที่ดีงามระลึกถึงกุศลระลึกถึงโอ้โระลึกถึงทานน่ะเรียนบารมีสิบแล้วก็ระลึกบ่อยเลยระลึกถึงทานบารมีศีลบารมีเนกขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจาบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีเวหาบารมีระลึกบ่อยไหมแบบนี้ ทั้งนั้นที่ฟังไปแล้วนี่นก็แล้วเอาเวลาปัญญานรักนาติไม่เกิดถ้าเกิดมันจะระลึกตลอดเมื่อที่เราดําเนินเราจะ <c oughs> เรากําลังเดินอะไรเดินกุศลนัล่ะ <c oughs> จะลึกแบบนี้สองอุปคัน์หน้าลัคนาสติสติที่ชวนนี่ถือเอาคติทำรรอันดีย่ำให้เลิกว่าทำนี้เป็นประโยชน์ทำนี้ไม่เป็นประโยชน์ทำนี้มีอุปการะหรือไม่มีอุปการะทำนี้ไม่มีประโยชน์ก็ถือเอาทำที่เป็นไม่มีประโยชน์ ทำนี้ไม่มีอุปการะก็ถือเอาทำที่มีอุปการะเหมือนอะไรเหมือนานายทวารบาลของพระมหากษัตริย์ถ้าเห็นผู้ใดแปลกหน้าเข้าไปสู่พระราชวางังห้ามไม่ให้เข้าไปแล้วก็ใครที่จะเป็นประโยชน์ก็ให้เข้าไปจะเป็นอย่างนี้นะเออเราเนี่ยถ้าเป็นอิอุปคันฐานลัคนาสติเนี่ยจะจะเลือกฟันเช่นเออทำอย่างนี้ทุ่ศีลควรทํำไหม ควรไม่ควรกายทุจิริตรวจีทุจริตรมนโนทุจริตเนี่ยคนเสพไหมกายสจจุติริตรวจี ส, จสุจิริตรมโนสุติริตควรไหมเนี่ยมันจะเลือกอย่างนี้เนี่ยอุปกรณ์น้าลาาัคณาสตินอกจากแยกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแยกได้แล้วมันมันจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมือนกินอาหารนั้นอันนี้เป็นก้างอันนี้เป็นเนื้อท่างกินอะไรออันนี้เป็นประโยชน์นี้ไม่เป็นประโยชน์ ก็กินจะเป็นประโยชน์นี่เหป็นกันสติจะคอยสติประเภทอุปกรณ์นน่าละณาสติจะจะจ ะ, จะเข้าไปส่องเสพธรรม ท, ที่เป็นกุศลอย่างฉะนั้นตัวอุปกรณ์ในน่าละคณาสติเนี่ยจึงเป็นสติที่อุ ป, ปการละแก่ปัญญาโดยตรงเนี่ยได้แก่สัมปชัญญะเนี่ยที่เกิดขึ้นในขณะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมที่เป็นสติปัฏฐานเนี่ยนี่เป็นปุปภคของมรรคเลยเนะก็คือเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคผลมรรจันที่เจอือ ป, ปการละให้รู้แจ้งพระนิพพานเลยเนี่ย ด้วยเหตุนี้สติ2 อ, อย่างก็คือสติที่ประกอบกับโสภณะจิตโดยทั่วๆไปในขณะที่ ล, ลึกอารมณ์ที่อดีตสัญญาเก็บจําไว้ตามในแห่งปริยัติตามในแห่งการเล่าเรียนมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกอภิราปณะลัคนาสตินี่สติโดย ท, ท, ทั่วไปส่วนสติที่จะทําความรู้สึกในขณะที่กําหนดรูปนามตามความเป็นจริงในขณะที่เจริญสติปัฏฐานเป็นต้รเหล่านี้ตามแนวทางแห่งการปฏิบัติเนี่ยอันนี้เขาเรียกอุ ป, ปคัณ์นะนะลัคนาสติชัดไปเลยทีนี้ ก็แยกให้ออกบางคนก็แยกไม่ออกสองส่วนก็เลยมัวม่วมั่วห้ามมัว่วง้นตรงนี้ก็สติเลยเป็นเบื้องต้นเป็นมูลเหตุให้เกิดกุศลธรรมต่างๆเมื่อสติเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้บุคคลระลึกถึงสิ่งที่ดีงามทั้งหลายได้เป็นปัจจัยเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยก็สตินี่แหละลองระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเยอะๆศรัทธาจะมั่นคง อุสติในเกื้อกูลศรัทธาด้วยเนาะและเป็นปัจจัยเกิดศรัทธาดังที่ได้กล่าวในการลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยแล้วก็จะไปเข้าใจในเรื่องกรรมผลของกรรมและเป็นปัจจัยเกิดความเพียรด้วยนะพอสติแลลึกแลลึกแลลึ ก, แ, ลลกแยกแยะอะไรปุ๊บมาเนี่ยแยกแยะกุศลอกุศลแย ก, ก, กแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ปุ๊บก็จะเพียรในการละบาปใช่ไหมเพียรในการที่จะละบาปเก่า เพียรไม่ให้บาปใหม่เกิดเพียรในการเจ ร, ริญกุศลเพียรที่จะพัฒนากุศลให้เจริญภัยบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยจากสติใช่ไหมถ้าสติไม่แยกแยะแล้วอยู่ๆมึนงงไม่ได้เรื่องแล้วจะไม่สามารถได้สมรภูมิานเป็นต้นได้เนี่ยลักษณะนี้จะเพิ่มพูนเขาจะเป็นเหตุแห่งการและในที่สุดจริงๆก็เป็นปัจจัยเกิดปัญญาสามารถพิจารณารู้ซึ่งเหตุผลสิ่งทั้งปวง ทำให้เกิดความมุ่งมั่นในการที่จะกอบสิ่งที่ดีงามยิ่งยิขึ้นไปเพิ่มพูนกุศลในขันธสันดานได้โดยไม่ยากในเบื้องต้นนะ่ะบุคคลก็จะยังไม่สามารถทำสติให้บริบูรณ์ได้ก็ทำอะไรผิดพลาดใช่ไหมบ่อยไหมทำอะไรผิดพลาดเสมอก่อนคำนึงนึกถึงกิจการที่เป็นประโยชน์มักทำไปตามสัญชาตญาณตามความรู้สึกนึกคิด ที่ได้สั่งสมบูพรมมาโดยมากก็เป็นอย่างนั้นนอนก็นอนแบบที่เคยนอนยังไงก็อนอนอย่างนั้นเคยกินยังไงก็กินอย่งงานยงนั้นเคยทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นเป็นสัญชาตญาณล้วนๆนี่คนที่ไม่ฝึกสติก็จะเป็นแบบนั้นแต่นักบวชเป็นอย่างนั้นได้ไหมต้องมาฝึกหมดเลยนะบางคนนอนยังนอนกอดอะไรอยู่เลยเนะี่ยบางคนเป็นคารวะจะมีอะไรนะมีหมอนข้างใช่ไหมก็นอนกอดหมอนข้างเพราอมาบวชเป็นพระ ยังพันผ้าห่มเป็นหมอนข้าง ก, ากอดอะไรก็อย่างเงี้ยไม่ได้เลี่ยงแล้วนอนเหมือนคนขาดความอบอุ่นเคยเป็นไหมเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงั้นการยังไม่ได้ฝึกก็อยู่ด้วยสัญชาตญาณงั้นต้องพยายามฝึกอบรมสติให้เกิดให้เพิ่มพูนขึ้นในการทัศนดานเป็นไปตามลำดับเมื่ออบรมดีแล้วก็จะสามารถทําพูดคิดประกอบกิจการต่างๆอย่างถูกต้องและเกิดผลดีเกิดผลประโยชน์ด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าสติจึงเป็นพระหุประการธรรมคือธรรมที่มีอุปาละมากทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นทิฏฐธรรมิกาประโยชน์ด้วยนะช่วยให้การทําประโยชน์ในปัจจุบันในดําเนินไปดีๆเป็นสัมปรายิกาธด้วยประโยชน์ที่เลยตาเห็นทิฏฐธรรมิกาธเนี่ยประโยชน์ที่ตาเห็นได้ประโยชน์ที่ตาเห็นก็ทําได้ดี ประโยชน์ที่เลยตาเห็นจะพัฒนาศรัทธาพัฒนาศีลสุสตตะจาคย์ปัญญาทั้งหลายนายีนย่ยโอ้ยนี่ก็ต้องอาศัยสตินี่แหละแล้วประโยชน์สูงสุดการจะเข้าถึงปัญิพภานได้ก็เนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกหรือการเจริญสตินี่แหละอ เ, เออเดี๋ยวจะขยายตรงนี้อีกหน่อยโดยมากเราจะไม่ค่อยได้ศึกษากันในคำพี์มิลินทปัญหาในมิลินทปัญหาเนี่ยท่านบอก กล่าวเหตุให้เกิดสติไว้17ประการต้องเรียนรู้ไว้ตรงนี้แล้วเราจะได้มาเทียบเคียงว่าเ อ, อจะทํายังไงให้สติเกิดข้อแรกก็คือสติเกิดเพราะการรู้ยิงหมายถึงอะไรเมื่อบุคคลมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งใดอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งดีแล้วย่อมจะสามารถกําหนดลึกถึงสิ่งนั้นได้อย่างฉับพันุ์และอย่างแม่นยําแต่ถ้าบุคคลนั้นไม่ค่อยมีความรู้ในสิ่งใด อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเวลาจะทำจะพูดหรือจะคิดนึกก็เป็นไปได้ไม่ง่ายเลยระลึกก็ไม่ถึงคิดก็ไม่ออกทำให้จมจนมุมจนต่อปัญหานั้นสรุปแล้วเอาแล้วการการมีความรู้ที่ยิ่งยิ่งการขวนขวายให้เกิดความรู้ที่ยิ่งยิ่งดีหรือไม่ดีจะได้ให้สตินั้นสามารถระลึกได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นยา น, นคนที่มีความรู้แคบแคบสติ ไม่ค่อยเกิดใช่ไหแต่ถ้าคนที่มีความรู้ความเข้าใจสิ่งใดอย่างชัดเจนรู้อะไรก็รู้ให้ชัดรู้ให้ลึกรู้ให้สุดรู้ให้เต็มที่อันนี้เนี่ยสติจะเกิดได้เร็วอย่ารู้แบบผิวๆรู้แบบลวกๆรู้อะไรรู้ให้ชัดรู้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็อย่าจำกัดเรื่องความรู้พอมีความรู้เรื่องอะไรเยอะๆมากๆขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเป็นที่ให้สติได้เกิด ใช่ไหมเมื่อเราอ่านสิ่งใดฟังสิ่งใดรอบรู้สิ่งใดกว้างขวางสิ่งใดได้มากปุ๊บเวลาไปเห็นสถานการณ์เข้าถึงสถานการณ์ใดๆปั๊บระลึกได้เร็วไหมจะระลึกได้เร็วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นประโยชน์มากเขาถึงบอกว่าสติเนี่ยเกิดเพราะการรู้ยิ่งก็คือหมายความว่ามีความรู้ความเข้าใจชัดเจนก็สามารถระลึกสิ่งนั้นได้อย่างฉับพลันบางทีรู้ระลึกได้แบบคุมคุมเครือเวลาก็พูดเรื่องการเมืองก็ไปรู้เรื่อง พูดเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่รู้พูดเรื่องสังคมก็ไม่ทราบใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยว่างั้นจะไปรู้เฉพาะเจาะ จ, จงอยากที่ตนเองชอบเนี้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีดนั้นต้องรู้สิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปการะต่อการเจริญสติเป็นอุปการะต่อการทําให้สติทํางานได้กว้างขวางยิ่งขึ้นกขอ้ อ, ขอแรกข้อ2 ส, สติเกิดพเพราะทรัพย์แต่มันเกี่ยวตรงไหนสติทํำไมเกิดเพราะทรัพย์คือ บุคคลที่มีทรัพย์เพียงพอแก่ความต้องการต่อความจําเป็นของตนเองแล้วก็ทําให้บุคคลนั้นสบายใจไงพอสบายใจปลอดโปร่งโล่งก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ฟุ้งซ่านไม่ลาคาญใจใช่ไหมทำให้จิตสงบไหมพอจิตสงบแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการหาทรัพย์เป็นต้นแล้วสติก็ระลึกการงานต่างๆนั้นเป็นกุศลได้โดยสะดวกไม่ต้องเก็บกดความรู้สึกไม่ต้องตึงเครียด เออเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้ก็ไดข้อคิดเยอะเลยว่าไอคนที่มันกำลังลำบากลำบนอยู่เนี่ยสอนในี่มันเจริญกุศลได้ยากไหมมันกำลังเครียดหาเช้ากินข้าไม่ใช่หาเช้ากินข้าเลยนะหาเช้ากินเช้าเลยนะฮะเคยเห็นไหมขนาดนั้นเลยต้องส่งบ้านส่งรถส่งเมียส่งบุตร โอโส่งหมดผ่หมดเลยของในบ้านเนะี่ยคนประเภทนี้สติจะเกิดดีไหมเครียดมันเออพราะเพราะมันมจัดสรรทรัพย์ไม่สมดุลสติจะไม่ค่อยเกิดอย่าแปลกใจเลยคนที่อยู่ตามบ้านนอกในยุคปัจจุบันพอสภาพสังคมที่เอาสิ่งเสพมาเป็นตัวล่อเอาเงินมาเป็นตัวล่อทั้งหลายเหล่านี้นะเอา GDP เป็นตัววัดเนี่ยนะในการที่จะ บ่งบอกถึงสภาพเอ่อความเป็นอยู่ของสังคมในยนุคนี้มนุษย์มันก็วิ่งหาทรัพย์มันก็ไม่พอโอ้โหไม่มีโอกาสในการจเจริญสติเลยสติเกิดยากมันเครียดกลุ่มแต่ละคนน่ยนั่งคุยกับเราได้ไม่นานเนี่ยเดินสติไม่เคยได้เข้าใจยังนเดีนี้่ยสติเกิดพอทรัพย์สองเออส ส, ออสติเกิดเพราะความรู้รู้สึกอันโอลานเข้าใจไหมแปลว่าอะไรอะความรู้สึกอันโอลาน คือความรู้สึกอันยิ่งใหญ่อะความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่หมายถึงอะไรเมื่อบุคคลมีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆอย่างกว้างขวางรู้กว้างรู้ลึกก็เป็นเหตุให้สติระลึกสิ่งเหล่านั้นได้อย่างกว้างขวางแล้วก็ทั่วตามไปด้วยแต่ถ้าบุคคลมีความรู้น้อยมีความรู้แคบสติก็ระลึกแบบแคบแคบตามความรู้นั้นด้วยโอ้ตรงนี้ผมจะเล่าให้ฟังนงผมไป ต่างประเทศครั้งแรกโอ้โหผมยุ่งเลยฮะสติผมไม่ค่อยเกิดเลยไปเห็นอะไรผมก็ต้องให้เขามาแปลอีกทีใช่ไหมเพราะผมไม่รู้โอลานี่ความรู้ผมไม่กว้างขวา ง, วางไมโอลานผมสื่อภาษาอื่นไม่ค่อยได้เนี่ยเออความรู้เสียหายไปเยอะเลยแทนที่สติจะได้ระลึกได้อะอย่างโอลานอย่างมากมายแล้วอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีความรู้น้อยความรู้แคบๆเอางี้ โอ้มันจะไปดูถูกคนจนนะครับคนบางคนเป็นชาวไร่ชาวนาเขาไม่มีเวลาในการมาศึกษาเล่าเรียนอะไรอย่างอื่นเลยครับไปสอนให้เขารู้จักคำว่าทานกุศลเป็นยังไงศีลกุศลอย่างไงภาวนากุศลยากเลยรหรือคนไทยในยุคปัจจุบันนี่นะครับเราจะไปสอนเรื่องสติปัฏฐานสมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรพราพโชงอรอยิยมรรคจบเลยเขาไม่รู้เรื่องเลยเข้าใจไหม เพราะเขารู้น้อยมากความรู้เขาจำกัดก็อยู่แต่โลกโลกเนี่ยมีแต่วิชาหาข้าวกิ น, นแต่วิชาในการที่จะแก้ปัญหาดับทุกข์เนี่ยเขาไม่มีโอ้โหเนี่ยความรู้เขาน้อยมากเราจะต้องไปปูพื้นฐานหน่ยหม่หมดแลวจะจบระดับไหนมาก็แล้วแต่แต่ความรู้เขาไม่กว้างนี่เป็นอย่างนี้หรือเวลาคนความรู้ไม่กว้างเนี่ยจะยกอุปมาก็ยากอย่างยก็ัอย่างสมมติท่านเนี่ย ท่านไม่เคยรู้เรื่องอะไรกับใครเลยสมมุตินะ <1> 1> ผมจะยกเรื่องวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบนะครับท่านก็ยังไม่รู้ ว, วิทยาศาสตร์เป็นยังไงและสติจะเกิดยังไงเนี่ยผมจะเอางั้นขอยกเรื่องประวัติศาสตร <ạt> ์ท่านก็บอกไม่เคยเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เลยเอายุ่งอีกแล้วงั้นผมจะยกเรื่องสังคมศาสาตร์สภาพความเป็นไปของสังคมอาจารย์ไม่รู้อี ก, <S 1> <1> <S มอกอผมยกเรื่องคณิตศสาสตร์ดีกว่ามาเป็นตัวเปรียบเทียบท่านบอกคณิตศาสตร์ก็ไม่รู้อีกผมยกเรื่องดาราศาสตร์ก็แล้วกัน เรื่องดวงดาวดวงตยถ้าบอกไม่ไม่ไม่เข้าใจอีกผมผมยกเรื่องเรื่องนิติศาสตร์เรื่องกฎหมายแต่ไม่รู้เรื่องอีกผมยกเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องเเรื่องเศษษรษฐกิจไม่รู้อีกจนปัญญาไหมสติจะเกิดได้ดีไหมเนี่ยงไงมันแคบนะฉะนั้นสติเกิดเพราะความรู้รู้สึกอันโอลานมันมันดีอย่างนี้ฉะนั้นต้องเป็นคนขวนขวายไหมเนี่ย เ, ออเวลาพระเจ้าเจอไปเจอพระเจ้าในดีตก็โอ้โหพระเจ้าใส่หัวเลยนะเนี่ยคนบางคนเนี่ยจะอุปมาไงโอ้โหต้องอุปคนบางคนอย่าอย่าแปลกใจว่าม่รู้ยากยากต่อการอุปมาพระพุทธเจ้าจะจะยกอุปมาตามอัธยาศัยของสัตว์ที่สังสมอย่างเราเราเนี่ยยกอะไรบางทีไม่เก็ตเขาหรอกเขาเขาไม่รู้ คนไม่เคยทํานาวิยกการทํานาไป็นอุปมาคนไม่เคยทำไร่พิยกเรื่องไร่กันมาอุปมาคนไม่เคยตัดไม้วิยกการตัดไม้มาเป็นข้ออุปมายิ่งไปใหญ่เนี่ยสติจะเกิดยากเข้าใจนะข้อที่3เออข้อที่4ไม่ต้องไปเร็วๆยาวเกินเดยวนี้ยาวเลยสติเกิดเพราะความรู้สึกนึกคิดถึงความสุขที่เคยได้รับและได้ประสบมาเออเห็นไหม ความรู้สึกนึกคิดในเรื่องของความสุขที่เคยพบเคยประสบมาเป็นเหตุได้กิดสติได้หมายความว่าอะไรเมื่อบุคคลนึกถึงความสบายนึกถึงความสุขนึกถึงความสดชื่นใจที่ได้เคยเสวยก็ได้เคยพบได้เคยประสบพอนึกปุ๊บความรู้สึกจะปลอดโปร่งไหมเช่นเราเคยไปเที่ยวทะเลสมมตินนะฮะเคยไปเที่ยวป่าเคยไปเที่ยวภูเขาอะไรก็แล้วแต่โปร่งโล่งสบายใจเนี่ย ทำให้สติเกิดขึ้นและในการระลึกไปในการทํางานที่ดีงามต่างๆเช่นเราเคยได้เกี่ยวข้องในเรื่องดีๆทั้งหลายพอร ะ, ะลึกปุ๊บขึ้นมาเนี่ยโอ้โ ห, โหจิตเกิดความเบิกบานสดชื่นชุ่มชื่นปราโมดปิติเกิดขึ้นมาเลยเป็นพลังให้มุ่งต่อสู้กับอุปสรรคและความยากลําบากต่อไปด้วยอย่างดีด้วยเนี่ยสติจะเกิดได้ไงฉะนั้นอย่าแปลกใจเวลาจะเจริญสติปัฏฐานเช่นจเจริญอาณาบรรณสติ สถานที่ต้องสปายะัหมบุคคลต้องสปายะอาหารต้องสปายะนั้นสถานที่สปายะทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเจริญสติได้ดีสุปปายะนี่นะบุคคลสปายะสถานที่สปายะทางเดินสปายะเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับสปายะจิตสบายจิตสบายสติจะเกิดง่ายนะครับนี่อันนี้สังเกตดีๆประการที่ห้า สติเกิดเพราะความรู้สึกนึกคิดถึงความทุกข์ที่เคยได้รับและได้ประสบมาโอ้โ oh, หความทุกข์ก็เป็นปใจใัจจัยเกิดสติได้พอร ะ, ะลึกถึงความทุกข์ยากความลําบากที่เคยประสบเคยได้สัมผัสได้สวยมาเกิดความเข็ดขยาดต่อความทุกข์เคยเจอบาปให้ผลอย่างรงุแรงนะครับเคยประสบอุบัติเหตุก็ดีเคยประสบความทุกข์เคยไปทําสิ่งที่เสียหายอย่างรุนแรงมานี่นะ มาระลึกตาอู้สัมรวมระวังต่อไปจะไม่ให้ความผิดพลาดเกิดอีกนำความทุกข์เท่านั้นมาให้เกิดขึ้นอีกพยายามพิจารณารู้เหตุรู้ผลข้อดีข้อด้อยทั้งหลายหรือการงานนั้นๆอย่างถี่ถ่วนแล้วก็เลือกทําแต่ข้อดีกําจัดข้อเสียออกไปทําอย่างนี้สติก็จะเกิดและเพิ่มพูนยิ่งนั้นที่ทําอะไรผิดพลาดระลึกปุ๊บสติกเกินไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมจะไม่ยกเหตุจะไม่ยกตัวอย่างเยอะแล้วหกเดี๋ยวจะไม่จบ สติเกิดเพราะนิมิตคือเหตุการณ์ที่เหมือนกับเหตุการณ์ที่ได้ประสบเห็นมานิมิตก็คือมาไปเจอเหตุการณ์ที่มันคล้ายกับเหตุการณ์ที่เราเคยประสบเป็นเหตุให้ระลึกได้อนิมิตต่างๆที่คล้ายกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดกับตนเองทั้งนิมิตที่ดีนิมิตที่ไม่ดีเรื่องที่ดีย่อมเกิดสติระลึกระลึกถึงต้นสายปลายเหตุและก็พยายามหาทางป้องกันนิมิตร้ายดําเนินเตตามนิมิตที่ดีอย่างเดียว เห็นไหมว่าเราไปเจอเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้อายกตัวยอย่างเช่นโอเคนี่เข้าใจคำว่านิมิตแล้วเนาะไม่ขยายแล้วนะ ส, สติเกิดเพราะนิมิตคือเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนกับเหตุการณ์ที่ได้ประสบมาอันนี้ไม่เคยพบเห็นมาเหมือนนะบุคคลได้ประสบกับนิมิตแปล ก, ปกเรื่องราวแปล ก, ปกที่ตนไม่เคยประสบมาก่อนก็ทำให้เกิดสติพิจารณาตั้งข้อสังเกต ต้นต่อต้นสายปลายเหตุเทียบเคียมกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันที่ได้พบประสบมาก็สาวหาเหตุผลให้พบหาทางออกในทางที่ดีก็สามารถที่จะปลอดภัยได้ใช้สติและลึกอยู่บ่อยๆๆสติก็จะเพิ่มพูนเขาเราียกว่ามีสมรรถภาพมากขึ้นนะว่างั้นเถอะถ้าให้เป็นคนใช้สติได้ดีไอคนที่เจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเลยใช้สติช่างพิจารณา มีวิจารณญาณเกิดความคิดในการที่จะประณีตละเอียดอ่อนเรื่อยๆนี่ฝึกอย่างเงสติจะเกิดครับเป็นคอนดเฟสนี่ไหมตั้งข้อสังเกตแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็มาวิจัยแยกแยะเหตุเรียกแยกแยะผ ล, ลคนคนนี้ก็พูดอย่างนี้นั่นหมายถึงอะไรพูดลักษณะแบบนี้นะอภรรการที่8สติเกิดเพราะความระลึกรู้ตามถ้อยคําของคนอื่นนี่มีคนอื่นบอกนะมีคนอื่นเป็นเหตุนะแบบนี้ คนอื่นบอกให้แล้วก็ระลึกตามก็ฝึกสติด้วยตนเองอาศัยบุคคลอื่นตักเตือนคอยระลึกทําให้สามารถเปลี่ยนนิสัยจากการเป็นคนประมาทเลื่เร่อเป็นคนมีสํารวมระวังสามารถสำเน็จรลึกตัวตามคําบอกเล่าตักเตือนการตําหนิของผู้อื่นเมื่อผิดแล้วก็แก้ตัวกลับขึ้นมาใหม่อันนี้คนอื่นบอกคนอื่นบอกคนอื่นเตือนว่าเออคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกคุณทําอย่างนี้ถูกไงนะคุณอย่าทําอย่างนี้คุณอย่างเงี้ยเนี่ยการลักษณะงี้ก็เป็นเหตุทําให้สติเกิดได้งาน เห็นไหมเหตอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดสติได้ฉันไม่ไปทําแบบนี้เกิดความประมาทเรื่อยๆไม่ทําอย่างนี้คุณควรทำอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้คุณกวาดอย่างนั้นคุณพิจารณาคุณกินอาหารคุณห่มผ้าเนี่ยการสอนในลักษณะนี้ก็คือฝึกตามคนบอกเราประการที่8ก็คือสติเกิดเพราะการกําหนดเครื่องหมายอันนี้หายความว่ า, วาคือการทําเครื่องหมายที่ตนได้ทําไว้แล้วเป็นคนเป็นบางคนเป็นคนขี้ลืม มักหลงหลงลืมๆืมก็นิดฝึกทําเครื่องหมายทําไม่ค่อยจะได้ก็คอยคิดหาวิธีการในการกําหนดจําทําเครื่องหมายในสิ่งในการงานที่ตนเองทําหรือหลักวิชาการที่ตนเองศึกษาเล้วเรียนก็สามารถระลึกรู้ในสิ่งนั้นก็ทําเครื่องหมายกํากับไว้บางคนเวลาอ่านหนังสือก็ทําเครื่องหมายไว้เลยทำเครื่องหมายขีดขีดขีดขเนี่ยเป็นเหตุให้สติเกิดได้สติเกิดเพราะความรู้สึกได้นี่หมายถึงบุคคลที่รู้สึกได้ด้วยเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่งจากปัจจัยภายนอกทั้งปัจจัยภายนอกด้วยปัจจัยภายในนะกระตุ้นเตือนกระจายภายนอกในที่นั้นก็หมายความว่ามีบุคคลเตือนปัจจัยภายในก็ระลึกขึ้นด้วยตนเองนะควบคุมนะไม่เผลอจนกลายเป็นบุคคลวิธีนี้คือการวิธีฝึกส่วนสติเกิดเพราะความจำเออนี้ไม่ยากเราเป็นคนสังเกตจาอะไรไว้เยอะๆจากการความจาที่แม่นยำนะมันมาจาก ทีละสัญญาปะะธฐานามี์มีความจำที่มั่นคงเป็นเหตุใกล้ของสติอันนี้ไม่ยากอยู่แล้วยันคนที่จำอะไรไว้ได้ปุ๊บเนี่ยจะระลึกอะไรได้เร็วนสติเกิดเพราะการนับการฝึกหัดคิดอันนี้ต้องมั่นนับสิ่งต่างๆมาจากคาว่าสติเกิดเพราะการนับและการฝึกหัดคิดเวลาไปเจออะไรก็นับบ่อยๆฝึกบ่อยๆนยีคิดพิจารณาอย่างรอบครอบทําให้เกิดสติได้ง่าย เมื่อสติเกิดขึ้นบ่อยๆก็จะเป็นอุปการะต่อการงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นคนมีทักษะในการนับในการคิดคำนวณฝึกฝึ ก, ฝกนับฝึกคิดฝึกคำนวณฝึกไข้ควรฝึกแยกแยะเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆสติจะเกิดสติเกิดเดพราะการทรงจำไว้ก็หมายความว่าจำอะไรไว้มากๆเป็นหลักของความรู้ไม่ว่าจะทางโลกไม่ว่าจะทางธรรมบทสวดมนต์ทรงจาอะไรไว้เยอะๆๆนะ พยายามท่องจำเขาไว้ครับสิ่งอะไรพยายามทวนทวนทวนเอามาจําแล้วก็ฝึกมาเอามาคิดเอามาคิดเอามาคิดเอามาคิดคิดทั้งคําบาลีคิดทั้งคําแปลคิดทั้งอัฏฐะและเนื้อความทั้งหลายมันเอามาขบคิดเป็นไหมข้อนี้เป็นไม่เป็นถ้าไม่เป็นจะไม่เข้าใจนะนั้นเวลาท่องสวดมนต์มาจําได้แล้วก็มาคิดคิดคิดนะเนี่ยทั้งอรหังสัมมาสัมพุทธโววิชาเจนะสัมปันโนอะไรก็คิดคิดจำเอามาระลึกแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบท เหมือนการระลึกถ้าไม่ฝึกเอามาคิดๆอย่างนี้จินตามายปัญญาไม่เกิดเนาะมันจะไม่เกิดยังไม่เก่งแล้วนักเข้าจะไม่พัฒนาไปสู่ภาวนามยาปัญญาเนี่ยเราต้องอาศัยสุตะมยปัญญากับจินตามายปัญญาเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยที่เราใช้กําลังของโยนิโสเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสติพอสติเกิดขึ้นมาจะเป็นปัจจัยต่อปัญญาที่จะเข้าถึงสิ่งนั้นได้จะเป็นผู้ชํานาญได้สติเกิดเพราะการอบรมอันนี้ฝึกเลยเนี่ยนะอันนี้ฝึกอบรมหมัน่นฝึกฝนตนเองอบรมจากบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร ถ้าไมเกิดทักษะรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักรับผิดชอบรู้จักอันนี้เป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีทั้งหลายมีสติ ก, กํากับอยู่เสมอทําอะไรก็จะไม่ผิดพลาดประสบความสําเร็จได้สติกเกิดเพราะการบันทึกสมัยก่อนคือใบลานปัจจุบันก็คือสมุดบันทึกรู้ไหมมันบันทึกผมเป็นคนเสียข้อนี้ผมพยายามฝึกอยู่เ น, นี่ยตอนนี้วัริยาหลังผมบันทึกบันทึกแต่ผมไปเชื่อมั่นความจําตัวเอง มันไปคิดว่าเฮ้ยเราไม่ต้องบันทึกเพราะเราจําได้อยู่แล้วนี่เข้าใจใช่ไหมพอบันทึกแล้วผมจะไม่ค่อยจําสิไปเอาไม่เลยไปประมาทมันอยู่นี่สมุดเล่มไหนผมจำแค่เล่มนั้นไว้ผมผมก็เลยไม่ค่อยอยากบันทึกมันเนี่ย น, นแต่ต้องแก้ทีส่เนี่ผมเสียขอ้อนี้สติเกิดเพราะซับที่เก็บไว้ <c oughs> โอ้โหคนี้เก็บหอมรอมริษใช้ในยามจําเป็นก็ทําให้เกิดความอุ่นใจเมื่อเราเก็บซั์ไว้ใช่ไหมมีซับทั้งในหมายทั้งโลกก็นีครับ แต่ถ้าทางท ร, ร ม, มากก็คนเรื่องคนละประเด็นกันเก็บซั์ไว้ก็ทำให้อุ่นใจเก็บไว้สามารถระลึกได้เป็นกิจการงานกุศลจะเกิดข้อสุดท้ายสติเกิดเพราะการนึกถึงสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนี่สิ่งใดๆต่างๆที่ผ่านมาแล้วนะในชีวิต อย่างดีพอดีแล้วก็สามารถระลึกนึกคิดพิจารณาคํานวณคาดคะเนประสบะการณ์ต่างๆให้ละเอียดลึกซึ้งทําให้สามารถใช้สตินึกคิดพิจารณาว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เนพราะการระลึกมานี่แหละเออตรงนี้ก็คือท่านบอกว่าหลักการลักษณะของผู้ไม่ประมาทอีกหกประการก็คือสาการากาลีก็คือเป็นผู้ ทำกิจาการงานใดๆด้วยความเคารพจะเป็นเหตุให้เกิดสติ2 ส, สาต จ, จักกาลีก็คือเป็นผู้ทํากิจอย่างต่อเนื่องไม่ทอดทิ้งธุระไม่ทอดทิ้งกุศลและธรรมนั่นแหละอุตติกการีก็เป็นผู้ทํากิจโดยไม่หยุดชะงักไม่หยุดหย่อนลุตไปข้างหน้าอโนโรีนะวุตติโกก็เป็นผู้มีความประพฤติไม่ขาดสายก็คือไม่ย่อหย่อนอันนี้กิจ ทโทก็เป็นผู้ไม่ทอดทิ้งฉันทะในใจมีฉันทะมีความรักทํากิจกรรมทั้งหลายก็รักในสิ่งนั้นทําด้วยความรักด้วยความมุ่งปรารถนาดีกุสเรสุธรรมเมสุอั น, นิกิตตทุโรก็เป็นผู้ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลายคือเวลากุศลเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหรัก แล้วก็จะไม่ปล่อยให้กุศลหลุดไปจากใจนะรักษากุศลเดินกุศลตั้งทานกุศลสินกุศลภาวนากุศลติดต่อต่ อ, ตอนู่งบางคนปล่อยเลยเแค่นี้พอแล้วเดินกุศลเนะี่ยหยุดยังจะไม่ไม่ไม่เจริญลักหณะของผู้ที่ไม่รู้จักธรรมะก็คือขาดสติสิบการกับพวกเมาสุราพวกเล่เล่ยคนบ้าคลั่งคนได้รับความคับแค้นใจคนกโกรธคนอดอยากคนโลภคนขาดคนคนมักง่าย ภาษาที่เรียกวด่วนได้ก็คือมักง่ายอันเดียวกันหมกมุ่นในการพวกนี้พวกนี้จะพวกขาดสตินะโทษของการขาดขาดสติก็คืออะไรหลับเป็นทุกข์ตื่นเป็นทุกข์ฝันร้ายเห็นนิมิตที่ลามกทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเทวดาไม่รักษาน้ําอสุจิก็เคลื่อนนะืถ้าเป็นพรานนะี่ถ้ า, ามีสติก็หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเทวดาก็รักษาอสุจิไม่เคลื่อนในเวลาหลับนะครับนี่จะเป็นอย่างนีออ้จะไม่ขยายในรายละเอียด ค่อน ข, ข้างจะใช้เวลามาเยอะแต่จริงๆสติมีเรื่องต้องคุยเยอะเลอะมากนะครับสติเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยเป็นธรรมที่ควรจเจริญ น, นะเป็นธรรมะที่ควรจเจริญวันนี้มีอะไรสอบถามรายละเอียดไหมไม่มีใช่ไหมอ๋อในมิรินถ้าปัญหาก็เป็นเรื่องของพญามิรินอ่าสนกับพนาคเสีพยพญานมิรินเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็ น, เ ป, นเป็นไม่ใช่เป็นดิน ในยุคหลังพุทธปริิญพาประมาณ500ปีนะพยามีรินนี่เป็นคนที่มีใหม่ใหม่ก็คือความมินผิดนะ่แล้วต่อมาก็สามารถที่จะถูกไปสนทนาขะของไป พ, พ, พ, พระร น, พนาะเสนพานาเกษนก็ปราบทิฐิคือความมินผิดเรียบร้อยเลยแล้วนะครับก็มาตั้งมั่นอยู่ในกุศลแล้วนะครับก็เลยเวนประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเป็นตนน้นทะี จริงๆต้นตระกูลท่านเองเน่ยพย า, ยามิลินเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเมลินเดอร์ก็คือท่านเป็นชาวกรีกเดิมๆสมกวรเกียวเวลาเลย